รักษาชีวิตจิตใจให้ปลอดพ้นจากอันตรายให้มีความสุขด้วยศีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกสัมปทาศีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทะเยนนี่คืออั น, นิี้สองของบุญอั น, นิี้ส์ของศีลนะศีลทําให้เกิดสุขศีลทําให้เกิดโพวกขั้วซับนะศีลทําให้เกิดอ่าเป็นปัจจัยไปสู่พระนิพพานคนเราทุกคนก็ต้องการความสุขความเจริญ น, นะ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 คูน้ำมันลึกนะอันนี้กรุงเทพนะชานเมืองแถว ER แจ้งวัฒนะคูน้ำมันลึกนะเมาเนี่ยไม่ฟังอีลาขายอาลมก็ลงไปลงไปงมเมาพระเครื่องปรากว่าไม่ขึ้นนะก็ตายในนั้นแหละนี่ตายเพราะอะไรนะตายเพราะเมาคือถ้าไม่เมาเนี่ยมันก็คงไม่มันก็คงไม่จมน้ำมันงั้ง campaign, นหรอกหรือถ้าไม่เมาเนี่ยมันก็คงไม่อ้วกตั้งแต่แรกแล้วนี่เมาเนี่ยก็เลยอ้วกอ้วกเสร็จ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 รวมทั้งจากความเมตตากรุณานะในใจของพวกเราทุกคนนะอีกอันนึงที่อยาประกาศคือว่านะปีนี้กรถิญ น, น ะ, ะวันที่11บนเะวัดป่าสุโกโตวันที่1ิถ้าอยากจะไปช่วยวัดปุกาวทองก็วันที่10นะส่วนภูหลงนี่วันที่12บนะสวัดพี่น้องนะก็เดี๋ยวนี้ก็จะทอดกรถินกันใกล้ๆ ก, ก, กันนะก็มาไปมาร่วมได้ตามตามความสะดวกตามกําลังศรัทธาท้ายที่สุดนี้ก็